ในโลกตามที่เขาพูดกันเขาเลือกันว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้มีประโยชน์กับโลกไม่ได้ช่วยอะไรในโลกเลยดีไม่ดีคนในเขตของพระพุทธศาสนาเป็นผู้ถ่วงความเจริญความจริงการปรารบอย่างนี้น่าคิดคําว่าน่าคิดนี่มันในความเมืองในหมายความว่าน่าตําหนิ <c oughs> เราก็ต้องมาคิดกันตามคําพูดการรับฟังมาแล้วไม่ใช่ว่าจะยอมรับแท้ทันทีหรือว่าจะปฏิเสธแททันใดแต่การในสองนี้ถ้ามีในจิตใจของเราก็ต้องคิดดูว่าเราไม่ได้ใช้ปัญญากันเลยคนที่ไม่ได้ใช้ปัญญาเชื่อง่ายก็ถูกหลอกได้ถูกลวงง่าย เมื่อถูกหลอกถูกหลงเขาแล้วโทษไม่เกิดภัยไม่เกิดขึ้นเราจะไปโทษใครเราจะไปนั่งโทษว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้ช่วยอะไรเลยมันก็ยากเหมืกันแม้แต่ตัวของท่านเองท่านยังไม่ช่วยตัวท่านแล้ว พ, พุทธศาสนาจะยื่นมือเข้าไปช่วยได้ยังไงองสงัดไฟจอมไตรายทรงตัดไว้เสมอ ว่าอาคาตาโรตถาค ต, ตาว่าตถาคตเป็นเพียงผู้บอกบอกแล้วถ้าทำตามก็ใช้ได้แต่บอกแล้วไม่ทำตามก็เป็นเกินเหตุเกินวิสัยที่จะไปบังคับบัญชาเพราะว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ดีไม่ใช่ผู้ร้าย ถ้าผู้ร้ายนี่ใครไม่ปฏิบัติตามเขาเขาจะบังคับว่าต้องทาตามแต่ถ้าว่าพูดดีน่ถือการแนะนำเป็นสำคัญถ้าแนะนำให้ทำอย่างนี้ชี้ช่องวัาสุดนี้เป็นจุดของความสุขจุดนี้เป็นจุดของความทุกข์แต่หากว่าท่านต้องการความสุขท่านควรทำอย่างนี้ ท่านเลื่งกายความทุกข์ท่านทําอย่างนี้แล้วเมื่อท่านทําไปแล้วมันก็เป็นเรื่องของท่านท่านพอใจในด้านความสุขท่างกับพบความสุขท่านพอใจในด้านของความทุกข์ท่างกับพบความทุกข์วันนี้เราาพูดการเวินไนที่คนจะศึกษาดีแล้วท่านกล่าวว่าคนทุกคนคนจะศึกษาระเบียบวิ น, นัยกฎข้อบังคับ ที่ชนส่วนใหญ่วางไว้เป็นระเบียบปฏิบัติเพื่อความสุขร่วมกันคำว่าวินัยในที่นี้ก็ได้กแก่กฎหมายของบ้านเมืองที่ประชุมวางกันไว้ว่าทุกคนควรจะปฏิบัติตามนั้นท่านก็ลองคิดดูว่าถ้าทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายเสียทั้งหมด คือบรรดาประชาชนผู้ที่ไม่ได้ออกกฎหมายก็ปฏิบัติตามกฎหมาย <c oughs> และคนที่ออกมีอำนาจออกกฎหมายก็ปฏิบัติตามกฎหมายคนที่มีอำนาจใช้กฎหมายให้เป็นประโยชน์กับชุมชนก็ก็ปฏิบัติตามกฎหมายเหมือนกันแต่เพื่นั้นว่ากฎหมายจัดว่าเป็นวินในของคนทั้งประเทศหรือว่าคนทั้งโลก ที่วางไว้แล้วทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายกันหมดท่านจะเห็นว่าโลกนี้มีความสุขหรือว่าโลกนี้มีความทุกข์ตัวอย่างเรื่องกฎหมายที่เราจะเห็นได้ไง่ายๆว่าการทำลายป่าทำลายไม้ป่าไม้ทำลายความอุดมสมบูรณ์ของชาติเป็นของไม่ดีมีโทษหนัก ไอ้คำว่าโทษหนักในที่นี้หมายความว่าจะเป็นเหตุให้น้ําท่วมจะเป็นเหตุให้ฝนแล้งนี่โทษมันหนักมันไม่ได้หนักสําหรับบุคคลผู้ทําลายป่าที่ต้องถูกลงโทษตามกฎหมายอย่างเดียวมันเป็นการถูกลงโทษจากธรรมชาติให้บ้านเมืองเกิดความแห้งแล้งและความลําบากยากไรมันจะเกิดขึ้นแต่ว่าคนส่วนใหญ่ ที่เขาถือว่ามีอำนาจบางทีก็ออกกฎหมายซะเองบางรายก็เป็นผู้ควบคุมกฎหมายเพื่อใช้กฎหมายลงโทษบุคคลอื่นนี่ตามหนังสือพิมพ์เขาว่ากันจริงหรือไม่จริงก็ไปเรื่องข่าวทางหนังสือพิมพ์แต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่มีกำลังใหญ่มีทุนมากมีกำลังมากมีที่ผลมาก ก็ยังโค่นไม้ทำลายป่านี่แสดงว่าท่านพวกนี้เป็นคนที่ไม่มีระเบียบวินัยในระเบียบวินัยที่วางไว้ก็ห้ามการเบียดเบียนซึ่งกันและกันว่าจงอย่ามีจิตใจโหดร้ายทำลายกว่าคนอื่นจะมือไวจะลักอย่าโกงอยาคดอยาโกงกว่คนอื่นหรือว่าอยาคดอยาโกงเวลาการงานของหน้าที่ อย่าคดอย่าโกงระเบียบประเพณีที่ตั้งไว้แต่ก็เป็นที่น่าสงสัยบางคนที่มีอำนาจใหญ่ในสมัยก่อนก่อนที่อาตมาจะเกิดเขาบอกว่าในสมัยนั้นเคยเห็นนั่งกินข้าต้มกุ้ยอยู่ข้างถนนพอมีส่วนในงานการบริหารบ้านเมืองมาเท่าไรความสิวิไลก็ปรากฏขึ้น ในฐานะของตนถ้าจะ ก, กล่าวกันถึงเงินเดือนท่านกล่าวว่าทำไปเสด็จร้อยปีก็ไม่สามารถจะสร้างฐานะได้เท่านั้นแต่ได้ว่าพอมาบริหร า, ารเรืการแผ่นดินเข้าไม่นานนักก็คีความร่ำรวยคนแบบเพศนี้เขาเป็นคนมีวินัยหรือเปล่าก็ไม่ทราบที่พูดนี่พูดในสมัยก่อนที่พู้พูดจะเกิด แต่ว่าในสมัยที่เกิดมาแล้วนี่จะมีหรือไม่มีก็ไม่ทราบเวลานั้นท่านผู้ใหญ่ท่านกล่าวว่าเขาโจทย์จันกันว่าบุคคลประเภทนั้นเป็นคนเลวแสนเลวไม่มีใครยอมรับนับถือนี่เป็นอันว่าคนที่ไม่ปฏิบัติตามีไนไม่ศึกษาวินัยศึกษามันแล้วไม่ปฏิบัติตามีไนมันเลวแบบนี้ แต่ว่าทุกคนจะมีวินัยเสียหมดกฎหมายบ้านเมืองมีอย่างไงทุกคนปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของขอบเขตที่เราอยู่ร่วมกันมีอะไรโดยเฉพาะทั้ข้อบังคับนี้ก็จัดไว้โดยเฉพาะในเขตนั้นเราปฏิบัติตามนั้นประเพณีนิยมมีอะไรบ้างเราปฏิบัติตามหมดอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีวินัย ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบยินในอันดีประพฤติดีประพฤติดดตชอบถ้าเป็นลูกจ้างหรือวเป็นนายจ้ า, จางก็รู้ตัวว่าเราเป็นลูกจ้างหรือว่าเป็นนายจ้ า, จางคําว่านายจ้างจะต้องรู้อยู่เสมอว่าเราจะต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ดีสําหรับลูกจ้าง มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าลูกแจ้งทั้งหมดนี่เราต้องตัดคำว่าจ้งทางละคังท้ายทิ้งไปมีกำลังใจมีความรู้สึกจะคำม่าลูกคิดเห็นเสมอว่าเขาผู้นั้นเป็นลูกไม่ใช่เป็นลูกแจ้งปีไกยงานของเราจะเจริญขึ้นได้ก็เพราะอาศัยลูกเป็นผู้ช่วยทา มันลูกช่วยทําก็ต้องถือว่าลูกมีหุ้นส่วนถ้าผลประโยชน์ใหญ่ไม่เกิดขึ้นเขาก็ควรจะรับผลใหญ่เป็นเครื่องตอบแทนถ้าผลประโยชน์มันน้อยเกิดขึ้นแล้วเขาก็ควรจะรับผลน้อยถ้าเราต้องขาดทุนเพราะลูกจ้างไม่ทํางานก็มีความจําเป็นที่จะต้องลอยแพเข้าไปเสีย แต่ถ้าว่างานนั้นมีประโยชน์ใหญ่แค่นายจ้างแต่ว่านายจ้างเอาเงินไปใช้ในเรื่องอื่นนอกจากกิจการนั้นๆั้นม่จะมากล่าวว่าขาดทุนอันนี้ก็ไม่เป็นการสมควรนี่สำหรับลูกจ้างก็เหมือนกันต้องมีความรู้สึกในานายจ้างเหมือนกับตัวของเราเองหรือก็เหมือนกับบินดา ก็ถือว่างานที่เราทํานี่เราไม่ได้ทําให้ใครเราทําให้กับตัวเราเองเราะว่างานที่ทําผลประโยชน์ที่เราจะพึงได้ไมันก็มาจากผลของงานถือว่าเราเป็นผู้มีหุ้นส่วนในงานถ้าบริษัทท่างร้านหรืองานที่เขาให้เราทําเราไม่ตั้งใจทํางานเสียหายมีการขาดทนุน เราจะเอเงินดาวเงินเดือนมาจากที่ไหนเขาจะเอาอะไรมาให้เราจ้างเป็นอันว่าลูกจ้างก็มีระเบียบในฐานะที่เป็นลูกจ้างนายจ้างก็รักษาระเบียบเขานายจ้างไว้ ด, ดีต่างคนต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอย่างนี้ท่านเห็นว่าคําแนะนํำขององค์สมเด็จพระจีนอสีช่วยโลกแล้วได้อย่าง ที่พูดมานี่อาตมาไม่ยืนยันแต่ว่าขอให้ท่านนั้หลายใช้ปัญญาเป็นเครื่องคิดจงย่าใช้แต่หูใช้ใจด้วยแล้วก็จงอย่าใช้ใจอย่างเดียวจนใช้ปัญญาด้วยจงอย่าใช้ปัญญาแต่เพียงอย่างเดียวใช้สติสัมปชัญญะเข้าควบคุมปัญญาด้วยช่วยกันหลายๆอย่าง แล้วก็นั่งคิดนอยคิดไตร่ตรองดูว่ า, าศาสนาเขาองค์สมเด็จพระบรมครูถ้าสอนอย่างนี้แต่คนทั้งโลกปฏิบัติกันเหมือนกันหมดโลกนี้จะมีความสุขหรือว่าโลกนี้จะมีความทุกข์ข้อ น, นี้ก็ว่ากันแค่นี้พระพูดกับคนมีปัญญาที่พูดให้ท่านพูดท่านนั้นหลายฟังก็ไม่ได้คิดว่าท่านนั้นหลายเป็นคนโง่ ถ้าคิดว่าท่านทั้งหลายเป็นคนโง่ก็ต้องพูดมากกว่านี้ที่พูดมานี้คิดว่าท่านผู้ฟังทุกคนเป็นผู้มีปัญญาและมีความสามารถส่วนใหญ่ผู้พูดไม่ได้คิดว่าท่านผู้ฟังน่ะดีกว่าผู้พูดอยู่เสมอแต่เท่าที่นําเรื่องราวทั้งหลายเหล่านี้มาพูดก็ไม่ใช่เป็นความสามารถของผู้พูดเอง เป็นกฎที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางไว้เพื่อเป็นการช่วยโลกไม่ใชความสามารถหรือความรู้ของผู้พูดคนพูดก็ยังเต็มไปด้วยความโง่ก็มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าโง่กว่าท่านผู้ฟังมากแต่ในเมื่อไปเห็นคําสั่งสอนที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาเขาองค์สมเด็จพระพูทมีสภาก็ว่าเป็นของรู้สึกว่าจะดี ยิงได้นํามาคุยกันฟังนี่ก็ช่วยกันฟังฟังแล้วก็ช่วยกันคิดว่าคําแนะนำข อ, นขององค์สมเด็จพระธรรมสามิตรในครนี้ดีและไม่ดีที่เปล่ามาทั้งหมด <c oughs> ต่อไปทิ้งกล่าวว่าจงใช้แต่วาจาดีคําว่าวาจาดีนี้ก็หมายความว่าวาจาไม่เลววาจาดีก็คือหนึ่งพูดตามความเป็นจริง 2. งพูดวาจาอ่อนหวานสามกล่าวเฉพาะวาจาที่พูดไปพูดเฉพาะที่เป็นปัจจัยเกิดความสามัคคีมีความรักกันสี่วาจานั่นที่กล่าวไปไม่สเทือนใจของบุคคลอื่นเอากันยายอดแบบนี้การที่องค์สมเด็จพระจินศรีกล่าวอย่างนี้ดีหรืออย่าง ดีหรือไม่ดีวาจาที่กล่าวตรงไปตรงมาตามความเป็นจริงนะท่านเห็นว่าเป็นวาจาที่ดีและเป็นวาจาที่ชั่วการพูดวาจาอ่อนหวานทําจิตใจของบุคคลผู้ ร, รับฟังให้ชื่นบานเป็นวาจาที่ดีหรือวาจาที่ชั่วการพูดอะไรก็ตามพูดเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ให้ ป, ประโยชน์ส่วนรวมให้คนมีความสามารถขีดกันมีความรักกันมีการเกลื่อโกลูนเส้นกันและกันไม่คิดระหัตระหารไม่คิดวรทุสร้ายกันวาจารประเภท น, นี้ท่านเห็นว่าเป็นวาจาที่ดีหรือวาจาที่ชั่ววาจาที่กล่าวออกไปไม่เป็นที่สะเทือนใจของบุคคลผู้รับฟังเมื่อรับฟังแล้วก็เกิดอาการยิ้มแย้มแจ่มใสมีจิตใจชื่นบาน วาจาประเภทนี้ที่องค์สมเด็จพระวิชิตามารส่งแนะนําท่านเห็นว่าดีรละชั่วอันนี้ก็ขอยกประโยชน์ให้แก่ท่านผู้ฟังเพราะว่าผู้พูดในุ่นแล้วนี่ว่าท่านผู้ฟังเป็นผู้มีปัญญาไม่ได้เคยคิดเลยว่าท่านผู้ฟังเนี่ยไม่มีปัญญา แล้วก็มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าท่านผู้ฟังเนี่ยมีปัญญาคือมีความดียิ่งกว่าคนพูดคนพูดนี่ไม่มีความรู้เองให้ออกตัวเสมอเมื่อบทที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนําขึ้นหนึ่งในสี่แปดหมื่นสี่พันปฐมขันธ์ที่พูดมาทั้งหมดนี้นะเจ้งกว่าจะจบนี่ไม่ใช่จบคําแนะนําของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพระพุทธศาสนา เป็นเพียงหนึ่งในแปดหมื่สี่พันหัวข้อเท่านั้นที่นํามาทั้งหมดนี้เป็นหวข้อเดียวดังนั้นความรู้นี้ทั้งหมดไม่ใช่ความรู้ของคนพูดเนืาคนพูดก็ไม่ได้เชิดชูตัวเองว่ามีความสามารถตามนี้เป็นเพียงว่าคอยพยายามทําตามที่องค์สมเด็จเสด็จนาศีสั่งสอนมาเท่านั้น แล้วคงจะทำตามไม่ครบเสีด้วยเป็นอันว่าคนพูดนี่อาจจะเลวก็คนฟังเป็นชนนมากก็ขอยอมรับเอากันเพียงว่าคำสั่งสอนข อ, ององค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาคเนี่ยดีแลอไม่ดีที่เราเรียกกันว่าพระพุทธศาสนาะถ้าปฏิบัติการตามนี้โลกจะมีความสุขและมีความทุกข์เราคุณคุยกันต่อไปใหม่ว่าการ องสมเด็จพระจอมไตรยทรงแนะนําว่าควรจะบํารุงบิดามารดาให้มีความสุขการบํารุงบิดามารดาให้มีความสุขเป็นความดีและความชั่วมานั่งดูคนที่เป็นพ่อคนแม่คน ในความจริงพ่อคนแม่คนนี่ถ้าเรายังไม่เคยเป็นพ่อคนแม่ค น, นก็จะไม่มีความรู้สึกอะไรถ้าเราเป็นนั่งใด้ไม่เคยก็ไม่เป็นไรไปนั่งดูคนที่ก็เป็นพ่อคนแม่ค น, นก็แล้วกันเมื่อในเมื่อลูกเขาออกมาไปดูคนที่เห็นมีลูกเด็กๆลูกเล็กๆ เ, เวลา เวลาที่ลูกเกิดมาพ่อแม่มีความลำบากขนาดไหนลูกจะกินเองก็ไม่ได้จะเดินเองก็ไม่ไหวทายุจาระปัสสาวะก็ช่วยตัวเองไม่ได้ภาระใดที่ลูกจะมีชีวิตอยู่ก็ต้องอาศัยความดีความเหน็ดเหนื่อยของพ่อของแม่ นอนหลับสบายๆลูกชายลูกหญิงตื่นขึ้นมาร้องจ้าปรากฏว่าท่านแนนสองก็ต้องคลายจากความสุขจากความหลับขึ้นมาประทับประของลูกลูกชายอุจาะระปัสสาวะไม่สามารถจะทำนำตัวหลีกเล่นจากสิ่งโซโครันได้เพราะนอนลุกไม่ขึ้นยังเป็นเด็ก มีดามันดาก็ไม่เคยแสดงการรังเกียจอุจาระปัสสาวะนี่เป็นที่รังเกียจเขามิดามันดาแต่ว่าของลูกที่ถาอกมามีดามันดาอามือกอบไปทิ้งได้โดยไม่มีการรังเกียจใดๆอาหารการบริโภคอะไรก็ตามที่มีขึ้นมาเพื่อความสุขของลูกพ่อแม่ทำได้ทุกอย่าง เลี้ยงลูกแต่ละคนกว่าจะโตขึ้นมาีนเต็มปไปด้วยความลำเคินความจริงลาพังท่านสองคนท่านมีความสุขท่านช่วยตัวเองคองท่านได้ถ้าลูกเกิดมาเมรไรความหนักใจมันก็เกิดขึ้นคนหนึ่งคนที่ต้องเสียประโยชน์ในการงานก็คือมารดาเคยช่วยกันหาความไรายได้มาสู่ครอบครัวด้วยกันสองคน พอรู้เกิดมาแล้วมารด้เขต้องประทับประครองลกูกเสียประโยชน์ผลรายได้ท่านบิดได้ก็ต้องเพิ่มงานมากขึ้นเพื่องานสมดุนกับที่ทำสองคนที่เคยได้มาอย่างไรเขาต้องได้มาอย่างนั้นแต่ว่าทําคนเดียวมันก็เพิ่มน้ําหนักให้การงานนอกจากนั้นยังมีความห่วงใยในลกูกหาประโยชน์ไว้เพื่อลูกต่อไป แค่ตัวพวกคลสองคนเท่านั้นไม่หนักใจมม่นหนักใจเรื่องโลกเกรงว่าต่อไปถ้าลูกโตก็ามาแล้วปกครองตนเองเกรงจะไม่มีความสุขขาดทรัพย์สินขาดวิชาความรู้โตขึ้นมาแล้วก็ต้องไปหาครูที่มีความสามารถสอนบางโรงเรียนจะเข้าได้ก็แสนยากเงินค่าเราเรียนไม่เป็นไรรื่องเงินบำรุงโรงเรียนนินนะ่ะ บางรายท่านมาบอกว่าเวลาที่จะลูกไปเข้าโรงเรียนท่านเจ้าของโรงเรียนหรือว่าผู้จัดจการถามว่าต้องการบำรุงโรงเรียนเท่าไหร่มีท่านหนึ่งบอกว่าจะขอบำรุงโรงเรียนหนึ่งหมืนบาทมีความจริงยังไม่ยี่ค่าเทอมไม่ยีค่าอะไรเป็นเรืงรินกินกล่าวมาว่าหนึ่งบาทท่านผู้จัดการหรือใครก็ไม่ทราบ ท่านบอกว่ารอไว้ก่อนนะยังรับไม่ได้ถ้าบังเอิญถ้ามีบุคคลใดเข้ามาบารุงสูงกนนีก็ต้องให้เขาเรียนให้ดูเถอะเป็นได้เพียงจะเข้าโรงเรียนเท่านั้นยังมีความทุกอย่างนี้เร้่เงินหมื่นบาทนี่ถ้าบิดามารดากว่าจะเก็บหอมรอมริบมาได้ก็แสนจะลาบาก ถ้าเป็นบิดามันดาที่มีความร่ำรวยเอาเปรียบเชื้อบ้านกินเขาโกงเขามากมากมา ก, มา ก, ก็ไม่หนักใจแต่ว่าบิดามันดาที่ทำงานด้วยความสุจริตธรรมหาเดือนใช้เดือนหาวันใช้วันคันเป็นโดนงานที่ต้องจ่ายเงินตั้งหมื่นบาทนี่มันทีลงเกืยบจกักเมื่อลูกเข้าโรงเรียนได้ก็ต้องใช้เงินใช้ทองบารุงความสุขคือดูแลความสุขของลกูก เกรงว่าลูกจะไปไม่ทันโรงเรียนบ้างเกรงว่าลูกจะศึกษาไม่ทันชาบ้านชเมืองเขาบ้างเกรงว่าลูกจะมีเครื่องใช้ไม่สอยไม่เพียงพอจนน้อยหน้าลูกชาวบ้านบางท่านก็ต้องแบกภาระติดกายงานทุกอย่างจนกว่าลูกจะเรียนเสร็จและก็มีหลายรายเดียกันที่ลูกเรียนสม็จเสร็จเรียบร้อยแล้วมาทำงานมีเงินดาวเงินเดือนดีกว่าพ่อกว่าแม่ แต่ว่าพ่อแม่ก็ยังไม่พ้นภาระะพ่อรูป ก, ก็ยังต้องมาอาศัยพ่ออาศัยแม่มีบคุคคลคนหนึ่งที่รู้จักกันเป็นร้อยตารวจเอกสมัยนั้นมีลูกชายอยู่หนึ่งคนพ่อเป็นมาตั้งแต่คนตารวจถึงร้อยตารวจเอกสำหรับลูกพ่อมีทุนทรงให้เข้าโรงเรียนในร้อยตารวจ ก็เลยเป็นในร้อยตำรวจเอกท่านทันกับพ่อต่อมาเธอผู้นั้นมีบุตรยศสองคนเธอก็บุตรมาสองคนสองคนนั้นมาให้พ่อเลี้ยงให้พ่อเลี้ยงลูกโดยเธอเป็นร้อยตำรวจเอกเหมือนกันพ่อก็เป็นร้อยตำรวจเอกเอาลูกมให้พ่อเลี้ยงยังไม่พอยังแถมขอสตังพ่อด้วยนี่เป็นร้อยตำรวจเอกเหมือนกันนะ แต่ท่านพ่อท่านแม่ก็ไม่ด้ว่าอะไรเต็มใจในการปฏิบัติเมื่อลูกต้องการก็ให้เอาลูกของลูกก็ลูกเอาลูกของลูกมาให้เลี้ยงบิดามันดาก็เต็มใจมาขอเงินใบใช้พ่อก็ยังให้แม่ก็เต็มใจให้นี่เป็นความดีของบิดามารดาเป็นปส่วนยอด ท่นนั้นในองค์สมเด็จตัวสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าสําหรับท่านที่มีความดีอย่างนี้เราก็ควรจะบํารุงท่านคิดถึงตัวเราก็แล้วกันถ้าเราลงทนหนักอย่างนั้นถ้าลูกเป็นคนอักตันโยไม่รู้คนคนต่อมามาปิดกล้าขาแข็งมีความรู้กลับมาสแสดงตนว่าตนเนี่ยไม่มีความสัมพันธ์กับปีดามารดา ถ้าพ่อแม่ที่ให้เกิดมาในความจริงไม่ได้ตั้งใจให้เกิดท่านสนุกของท่านมันก็เกิดขึ้นมาเองแต่ได้ว่าลืมคิดไปว่าตัวนะ่ะถ้าว่าท่านทําอย่างนั้นจริงๆท่านหวังความเรื่นเริ ง, รงในกามารมไม่มีความนิยงคือไม่ต้องการให้เราเกิดแล้วก็ขอโทษเนะี่ยเราเสียเกิดมาทําไมลนะ่ะ นี่เข า, มาไม่เชิญเขาไม่ได้เรียกไม่ได้รอ้องแล้วเสียเกิดมาทำไมที่เสียเกิดขึ้นมาอย่างนี้ก็สแสดงว่าเป็นการทำลายจิตใจความสุขความดีของบุคคลที่มีความเรื่นเริงอันสาจัดว่าเป็นความเลวของเราที่เข้ามาเกิดพูดจะหยาบไปนิดไหมแต่คนหยาบแบบนั้นเขาก็ต้องพูดหยาบแบบนี้ ใจว่าใจไปบอกว่าแล้วก็เราเข้ามาเกิดเพื่อประโยชน์อะไรที่เขาไม่ได้เชิญมันย่อมสมควรกับคนเลวประเภทนี้เลยก็วควรใจใช้ว่าเขาไม่เชิญเสียกมาทําไมถ้าหกว่าท่านนั้นไหลไม่เต็มใจให้เราทรงอยู่ในขณะที่เราอยู่ในคันท่านทําแท้งจะว่าอย่างไรเราก็ตายแล้วค ล, ลอดออกมาแล้วท่านปล่อยให้ตายไม่เลี้ยงดูเสียเราก็ตาย แต่นี่ต้องเห็นความดีของท่านตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามทีเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วนี้ท่านมีความรักเสียสละความสุขประโยชน์ส่วนตนของท่านมาบำรุงเราให้มีความสุขก็ต้องถือว่าท่านเป็นผู้มีคุณท่านเป็นผู้มีความดีอย่างนี้องค์สมเด็จไปกินาสีกล่าวว่าควรบำรุงท่านท่านเห็นสมควรและดี่าง นี่พูดกันเป็นเป็นขี้เหตุที้ผลเท่านั้นแต่เหตุผลเนี่ยมันยังน้อยเกินไปแต่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นเรื่องของท่านนันหลายไม่ใช่เรื่องของผู้พูดจะให้ท่านเชื่อแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่บังคับใครให้เชื่อสําหรับวันนี้มองดูเวลาก็หมดเสียแล้วเรื่องมันก็ยังไม่จบเรื่องพระพุทธศาสนาช่วยโลกก็ต้องขอลาท่านก่อนขอความสุขสวัสดิ์ทีพัฒนะมงคล สมบูรณูลผลจงมีแด่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี